สกทาคามิมักละความโลภความโกรธและความหลงได้สิ้นเชิงพระองค์ทรงทราบว่ายังมีกิเลส ท, ที่ละไม่ได้เด็ดขาดจึงสาคัญว่ากิเลส ท, ที่ละได้แล้วเวียนกลับมาอีกภายหลังโดยอาศัยกิเลส ท, ที่ยังละไม่ได้สองถามว่าความสงสัยอย่างนี้ย่อมเกิดได้แก่อริยาสาวกหรือสาม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 การพิจารณาหนึ่งหรือสองอย่างในการพิจารณาห้าอย่างนี้ควรมีได้แน่นอนข้อความข้างต้นกล่าวไว้ในคัมภีร์อัตถกาถาของมูลนปัญนาตที่เห็นปัจจเวคขณะวิถีมีได้หนึ่งวิถีเป็นอย่างน้อยแต่ในคัมภี์อัตถกาถาฉบับอื่นกล่าวไว้ตรงกันว่าการพิจารณามาก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 และปฏิฆะที่ให้เกิดในอบายละได้ด้วยยานที่หนึ่งคือโสดาปฏิมักคยาน 2. การมราคะและปฏิฆะชนิดหยาบที่ยังเหลือละได้ด้วยยานที่สองคือสกทาคามิมักคยาน 3. กามกราคะและปฏิฆะอย่างละเอียดละด้วยยานที่สาม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 มุสาวาดมิจฉากรรมตะละมิจฉาอาชิวะสี่อย่างนี้ละได้ด้วยยานที่หนึ่งสองมิจฉาสังกับปะปิสุนวาจาและพรุษวาจาสามอย่างนี้ละได้ด้วยยานที่สามอันหนึ่งพึงทราบว่าเจตนาเป็นวาจาในเรื่องนี้สามสัมผัสปลาปะ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 แต่อกุศลเจตนาที่ก่อให้เกิดเสียงพูดเป็นธรรมที่ละได้ด้วยมรดกดังนั้นจึงกล่าวว่าอากุศลเจตนาเป็นมุสาวาทปิสุนนวาจาและผลุสวาจาเพราะเมื่อไม่มีอกุศลเจตนาก็เกิดมุสาวาทเป็นต้นไม่ได้ยกเว้นการกราล่าวผลุสวาจาของพระ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 ในโลกกระททั้งหลายพึงทราบว่าหนึ่งปฏิคะความยินร้ายละได้ด้วยยานที่สามสองอนุญะความยินดีละได้ด้วยยานที่สีสามอาจารย์บางท่านกล่าวว่าความยินดีในชื่อเสียงและการสรเสือละได้ด้วยยานที่สาม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 คือความไม่ต้องการให้คนสนิทของตนที่เป็นทายกทายิกาญาติมิตรเป็นต้นไปคบหาบุคคลอื่นหาใช่ความไม่ต้องการให้คนร้ายมาคบหา 3. ลาผ้ามัชริยะความตรนีลาบคือความต้องการให้ได้ลาบคนเดียวไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้ลาบเหมือนตนไม่ใช่ความไม่ต้องการ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 สสัญญาและจิตที่แปรปรวนในสิ่งที่ไม่งามว่างามวิปปลาดสองเหล่านี้ละได้ด้วยยานที่สามสาสัญญาที่จิตแปรปรวนในทุกว่าสุขวิปปลาดสองเหล่านี้ละได้ด้วยยานที่สามสาสัญญาและจิตที่แปรปรวนในทุกว่าสุขวิปปลาดสองเหล่านี้ละด้วยยานที่สี่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 ในโลภะมูลจิตทั้งหมดนอกจากผวาสะวะสองผวาสะวะโลภะที่พอใจรูปภพอรูปภพรูปฌานอรูปฌานโลภะที่ประกอบด้วยสัตสตทิฏฐิโลภะที่พอใจในกามภพคือความเป็นมนุษย์เทวดานากรุษบุรุษสตรีเป็นต้น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 และมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอากุศลกรรมบท5อย่างนี้ละได้ด้วยยานที่หนึ่งปิสุณาวาจาการพูดส่อเสียดพุลสววาจาการพูดคำหยาบและพยาบาทความปองร้ายอากุศลกรรมบทสมอย่างนี้ละได้ด้วยยานที่สาม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 ละได้ด้วยโสดาปฏิมักขยานอากุศลกรรมบทหที่ไม่นำไปสู่อบายอันเนื่องด้วยกามราคะและพยาบาทอย่างหยาบละได้ด้วยสกทาคามิมักขยานอากุศลกรรมบทหที่ไม่นำไปสู่อบายอันเนื่องด้วยกามราคะและพยาบาทอย่างละเอียดละด้วยอนาคามิมักขยาน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 ปฏิฆาสัมปยุตตจิตสองละได้ด้วยยานที่ 3. สามจิตุบาทที่เหลือทิฏฐิคตะวิปยุตตาจิต4อุทจจะสหรคตจิตหนึ่งละได้ด้วยยานสี่มีคำอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าอากุศลจิตตุปบาทหกดวงคือทิฏฐิคตะ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 อุปกกเรสเหล่านั้นละได้ด้วยมักคยานสี่ตามสมควรดังคมพีอัตกถากราวว่าหนึ่งอุปกกเรสหเหล่านี้คือการลบปลูการตีเสมออิสามัชริยะมายาและสาธัยละได้ด้วยโสดาปฏิมักมัรคยานสองอุปกกเรตสี่เหล่านี้คือพยาบาทโกธาความผูกโกรด และประมาทะละได้ด้วยอนาคามิมักอุปกิเลสหกเหล่านี้คืออภิชาวิสมะโลภะความหัวดือ้อความแข่งดีมานะอติมานะและความโมเมาละได้ด้วยอรหัตตมักขยานอนหนึ่งการละอุปกิเลตสิบด้วยอนาคามิมักขยานและอรหัตมักขยาน